พระธรรมเทศนาลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ77ปีของหลวงปู่อุทยัยศิริทโลจังหวัดนครราชสีมานาโมตัสสาภะวะโวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะยะสัมิงปะเนสเซกเปติวาสัมปัณฑิตชาติโยซีละวันเตถะโพเชตวะ สัญญาตาประ ม, มัจจริโนติิติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะสตาญาจโจมพร้อมกับพระสงฆ์ได้มาท่วมแสดงมุขิตาสการะในหลวงปู่ทัยสิทธโรท่านมีอายุครบ 77ปีพันษา57พวกเรายอมรับว่าหลวงปู่ของเราเป็นปุภาคการีบุคคลผู้มีถุกบาระรกรส่วนหนึ่งแล้วท่านก็เป็นผู้บวชมานานรู้รติราตีนานคล้ายๆเขาว่าเป็นผู้บวช นานแล้วก็อายุยืนนานถึงเจเจปีพวกเราจึงมาพร้อมกันแสดงมุทิตาสการะในวันนี้ที่วัดเขาใหญ่ยานสัมปันโนแห่งนี้ฉะนั้น ถ, ถือว่าวันนี้เป็นวันสาคัญยิ่งกับพี่น้องประชาชนบรรดาศิษย์ทั้งหลาย ข อ, ข, อ ข, ข, อขอให้พวกเราทุกๆท่านที่รับเขารในองค์หลวงปู่ของพวกเราขอให้พวกเราทาสนให้เป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทำดีพูดดีคาว่าคิดดีทำดีพูดดีในเรื่องนี้พูดง่ายแต่ว่าจะลงมือคิดดีทำดีนั้น พูดดีนะจะพูดคิดทําอย่างไรอันนี้ก็คือเราต้องเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอยา่างจากนั้นเราก็ได้เอาพระธรรมาำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทําคำนวณว่าคิดดีนั่นคือคิดอย่างไรคิดอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิคิดอย่างไรเป็นวิชชาทิฏฐิทําอย่างไรจึงเป็นสัมมาทิฏฐิ ทำยังไงป็นมิจฉาทิฏฐิพูดอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิพูดอย่างไรเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิคือคิดผิดสมัมมาทิฏฐิคือคิดถูกทําถูก พ, กพกูดถูกนี่แหละอันนี้ก็ต้องได้นําทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัด่างนั้นเราก็ได้พิจารณาตามที่พรทางคำสอนของพระพุทธองค์าาที่ทำ ท่านเป็นสวัสาดาธรรมที่ท่านได้ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างนั้นพวกเราก็ได้นำทำคำสน อ, อนของพุทธเจ้ามาเป็นคำว่าคิดค ด, ดีทำดีพูดดีแต่นี้อาตมาภาพเองเห็นหลวงปู่ของเราท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้พร้อมด้วยปัญญา แต่คำว่าปัญญาความคำนี้ก็มีหลายระับแต่ปัญญาของในครังพุทธเจ้ารืในครั้งพุทธศารอย่างที่พระโมคคอย่างที่ภาษาไรโบกันภาษารโบกเป็นผู้มีปัญญาเป็นอัครสาวกขอพระพุทธเจ้าท่านขวาท่านเป็นผู้เลื่อนกว่าภิกษุท่านใดแต่ว่าองค์ท่านภาษาไรโบก แต่นผู้มีความอ่อนน้องถอ่อมตนเป็นผู้มีความกระตันอยู่กระเตไวทิตาตระกูภาคการีทํำไมถึงพูดอย่างนั้นอาตมาเคยยกประเด็นหลายประเด็นในบรรดาทั้งหลายท่านบอกว่าผู้มีปัญญาย่อมรำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณแม้แต่น้อยเดยวก็ไม่เคยลืเพรอะไรเพราะมีปัญญา น้ำดึกถึงอ่าบุญคุที่ท่านได้ทํากับเรานี้ เ, าเราได้ตอบเพุ่อย่างไรตอบแทนอย่างไรในพระคุญของท่านอย่างยกตัวอย่างอย่างท่านภาษารีบุ่นว่าใจยกคนอื่นนนะะก็ไม่ไม่เหมือนยกต้นตระกูลต้นตระกูลคื อ, อคือพระสงค์สรุของพระพุทธเจ้าคือองค์ยกภาษารีบุ่นอย่างที่ท่านไปพบปะเฉชิม ที่ปูร่าจะคือที่เป็นท่านปริเป็นบริพาชคเป็นนอกบวชนอกศาสนาเห็นท่านตัก ช, ชีพเดินไปอยู่ในถอดเวลาหน้นาปัดถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังเอี้ยวเอี้ยวซ้ายขวาเบิกปากองนี้คนท่านนี้ท่านบวชในศาสนาทําไรทำมาบรุษและภักิริัญญามีสติสมบูรณ์ในการเดิน ของท่านากับกิริยาของท่านพบอะไรที่มองมองหรือท่านสาษาของผมีปัญญาเนะ่ยคนมีปัญญาจะต้องมองเห็นรู้เลยว่านี่คือฟองแท้ของอีกจากนั้นท่านก็สะกดรอยไปไปทำจนไปถึงผ้าอาจจะชีพเดินไปจนถึงที่เหมาะสมคล้ายเขาเป็นที่ว่างโล่ท่านค็มองหาที่จะนั่งปริทายชกสาริบุตรเด็กก่อ เดินเขาไปเลยไปเขาไปพราะคุณแจ้ดท่านจะหาที่น้ําใช่ไหมเนีป่าจะชีชจะ่จังวัดใช่เราจะจะฉันพาาัฒนาหนุ่มสารีบุตรเดีกว่าหาใบไม้มารอกให้ทำ น, นัำ่งแต่วเขาไม่ได้ถามอะไรพอท่านนัางเสร็จแล้วก็ถวายน้ําน้ำมืออะไรถวายท่านเพราะปริปรีพาชกมีน้ําติดตัวอยู่ตลอดเนีคือพ า, ายกต่พายจะบอกน้ําไปตลอดจะได้ถวายท่านถวายท่านท่านก็ พอฉันพัะาาราเสร็จแล้วสารีปุระเข้าไปถามว่าท่านัวในศาสนาใครท่านยินดีในศาสนาของท่านผู้ใดแต่ท่านพอจะบอกให้ข้าพเจ้าฟังไห้จุดยืนของศาสนานั้นคืออะไรภาษาในพ่ะอาจะชี้ท่านก็รู้แล้ว อ, อันนี้ผู้มีปัญญาพท่านเป็นพรัฒนาการา น, นี้จะไม่รู้ได้อย่างไรอื่น สารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาท่านก็ตอบว่าอาตอมาเป็นผู้บวดใหม่ยังไม่เยังไม่ชำนาญในการศึกษาแต่จะพูดแบบรโลภนจะพอปวดเข้าใจความนั้นได้สารีบุตรก็บวดจัดดาขึ้นมาเลยว่าท่านครับไม่ต้องพูดอะไรมากพูดแต่ข้อความที่ท่านเข้าใจให้ผมฟังเขแล้วกันผมจะตีความเอง พระอาจจะเ์ชี้ก็เลยบอกเอาทังนั้นเราตั้งใจฟังอาการของอาตมาเนี่ยของอาตมาภาพเนี่ยท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุจะก่อนจะค่อยมีผลผลมาจากเหตุถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุชัว่วผลก็ชัว่วเพรานั้นให้ดูที่เหตุให้ดับที่เหตุให้เทาใหดูที่ใจปรปุงที่ใจส่วนน้าความนึกคิดนั่นเอง แต่พ่ายภาษาไม่พูพอได้ยินคำนี้ท่านมีวินิจัยมรรคผลนิพพานในชาตินี้อยู่แล้วท่านคนเกยังเข้ามหาบวรู้คือใจท่านได้สำเร็จพัสดาบันในขณะที่ฟ้าเมื่อไร้สำเร็จพัสดาบันท่านคนผู้แจ้งเห็นจริงในระดับเนี่ยโอ้อันนี้เป็นของจริงท่านก็ถามว่าท่านยอาจารย์ของเราอยู่ไหนป้าจะชื่ว่าพระผู้เดชเาเสด็ประทับอยู่ที่ ดูวันป่าเวลาดูวันเออท่านนั้นกัคงจะเป็นกลางพันแหละอันนี้เป็นนิ่งสมบูรณทีแหลจากนั้นท่านสารีบุตรยังไม่เคยดูแต่พอท่านไปบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าและได้สาําเร็จเป็นพระราหันเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าต่างฝาเป็นวัาใหญ่ที่สุดนอกจากุระพุทธเจ้าคือสารีบุตรคนที่สองคนที่สามก็คือโมกขลัแต่นี้เมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระราหันแล้ว ท่านไปในสถานที่ใดทราบข่าวว่าอยา่างสมมติว่าท่านมาที่วัดเขาใหญ่ของเราเนี่ยท่านาาาจจทารนออท า, ารบว่าท่านอาจจะชีดูทางทิศตะวันออกท่านหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกและบอกกล่าวพอกาวแล้วหันศีรษะแล้วนอนพส่งชนสถานศีรษะไปทางนั้นแต่ถ้าว่าท่านไปยู่ทางเหนือไปอีกท่านทราบว่าท่านอาจจะชีดูทางทิศตะวันตก แต่ท่านก็หันศีรษะไปทางคิศตะวัตโตกและก็กลับและก็นาหันศีรษะไปหานั้นจนลูกศิษย์ของท่านภษารีุ่่นึติดตามภาษารีุ่่นเพราะท่านก็มีบริวารมากที่อาจารย์ของเราสักจะทำยังไรรู้สึกว่าจะเพี้ยนไปแล้ววันหนึ่งหานศีรษะไปทางวันหนึ่งหาศีรษะไป ไม่น่าหันชี้สามไปทางบันไดเพาหัชี้สาไปทางบันใ ด, ก, น ก, นใดก็นอนหานีสามมาางบัไดอีกแต่ไม่กล้าทำอ่าไม่กล้าจากนั้นก็เลยนาความเห็นของตนเองที่เห็นเห็นเนี่ยไปปรับปรุงพูดก้จกว่าท่านสารีบุตรเนี่ยดูดูและจะเป็นวิส า, า, าพิธีจะแล้วไปกี่วพันทาไมเพราะแต่ละวันหันชีสามเป็นทีทีแต่ละ า, า, ามไม่เหมือนคคล้า่า ดูแล้วไม่น่านจะเป็นอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็นกกนเรียท่านสายพุทธออกมาุณก่อนสายพุทธเธอเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราจะได้จริง พ, พระเจ้าค่ะเพราะเห็นอะไรท่านสายพุตรบอกว่าข้าพระองค์ก่อนทินจะได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สาเด็จเป็นพระอรหันต์ข้าพระองค์ได้เป็นปรับขัานอาชี อาจารชิชิเป็นผู้เปิดปุญแกให้ข้าพระองค์เป็นขั้งแรกเป็นรั้งแรกข้าพระองค์ได้สำเร็จพระโสดาบันจากนั้นข้าพระองค์ไม่ลืมบุญคุณของของท่านอาจารชิชิดังนั้นจะถามที่ใดข้าไปแจ้าชนนอบน้องเขาท่านอาจารชิชิเพราะเป็นผู้เปิดปูนแก่การด้านจิตใจของข้าพองคนี่อันนี้พวกเราเท่านทลายก็ควรจะถือเป็นตัวอย่าง พ่อแม่ปุบาทญาณองค์ไหนที่ท่านแสได้ทำให้ เ, าเราเราเข้าใจในธรรมในธรรมคำสอนรึกลึกซึ้งในธรรแล้วควรจะนบน้อมขอรูบาทญาณอย่างท่านอาจุท่านชาลับยบุตเป็นตัวอย่างดังนั้นท่านบอกสมัยเดิมมีราษฎร์พราหมมีพรางคนหนึ่งอายุ80ปีเข้ามาเป็น คนงานคนรับใช้ในวัดคือเป็นคนยากจ น, นเข้ามาเพื่ออาศายกินเขา้าทนบาปของ่าะแต่พออยู่ไปอยู่นานไปเห็นพระท่านนั่งเดินเดินั่กนั่งภาวน า, น า, าแต่ตามคนนี้เขาบอช่วยด้านําช่วยด้านชามลามา้านบัตรทำความสะอาดปักกวาดตามภาษาคนแก่แต่ในใจคิดในใจเราอยากจะปวดจริงๆ เหตุพัดสูงท่านหลายปวดแล้วท่านที่บัดเดินโกงนั่งภาวนาแต่เราในทําไมไม่มีบุญวาสนาเลยเราจะหาบริาขารแค่ที่ไหนได้ก็ต้องต้ม้ก่อนหาบริาขารยากหาบายจีวรสังขารกี่ยามากไม่รู้จะให้ใครเป็นคนหาให้แต่คิดแต่จะปวดพอคิดเป็นสองมืดในคิดในใจแต่จนต่อมาจนล่าร่างกางสู้ผอม เอ่หมือนคนสู้ของ ค, คิดหนักคนกคิดหนักจนสู้ของตัวเหลืองท่าสงก็เลยถามโยทําไมท่านไม่สบายหรือทําไมร่างกายของคุณของโยทําไมจึงสีเหลืองขนาดตาเหลือตงตาหักเป็นเพราะอะไรสบายอยู่ไม่สบายเรื่องอะไรไม่สบายไหม เ, เขากต็ตอบว่าสบายที่อยู่ครับคือคือสบายสบายคล้าค่ว่า ไม่สบายทางใจเพราคิดอยากจะบวชแต่ว่าเรื่องร่างกายไม่มีอะไรจากนั้นก็ต่อมาต้งมากดหลนกดไม่ได้นี้มันถึงจุดขีดแดง น, นะนะเกิดบอกให้พระสงฆ์บอกว่าข้าพระองค์กับผมเองก็ไม่ได้ร่างกายเป็นสบายดีอยู่แต่คิดอยากจะบวชแล้วเกินแต่ไม่รู้ว่าใครจะหาบริขารให้กับผมก็เลยคิดหนักใจผมอยากจะบวชครับ พระสงฆ์ท่านหลายได้ไดยินเรื่องราวอย่างนั้นก็ไปกล่าวคุพระพุทธเจ้าว่า อ, อายุแปสิบปีสมควรจะหวดได้ไหมแล้วก็พระสงฆ์ทัานหลายไปกล่าวคุณพระพุทธเจา้าพพุทธเจา้าเออเรียนรัตาพามากและก็ประชุมสงฆ์ขนาดนั้นเพียงแค่นั้นพุทธเจ้าประชุมสงฆ์นะพอประชุมสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าถูก่อนส ง, างา่านไหนใครบ้างที่เห็น ตารรานฎพามเนี่ยได้ทำคุณกับพวกท่านปกไหนบ้างรำลึกข้าบล้ำลึกได้ลำลึกถึงมูลคุณของราษฎพามได้านรพามคนนี้ได้ทาคุณคุณกับพวกท่านมีไหมในที่ประชุมสงแหงนี้พสงฆ์ลายเงียบท่านภาษาริบุหรือนั่คุกเขาประนมมือขึ้นมาข่าของลำลึกได้เป็นอย่าง่รเลือกอะไร บอกสมัยหนึ่งข้าองค์ไปบินทบาทในกรุงราชคือพอไปบินแล้วไม่มีใครใส่บาตรก็พามคนนี้ลาธ ะ, ละพามเนี่ยไปได้ถ้ารับกินถ้ากินาหาใรใกล้ๆวไปทำพิธีกรรมใบสีสู่ขวันเขาน่าจะอะไรกันละพามพอได้ข้าวมาหมอ้อเนี่ยั้งกอเอเราจะเอจะทำบุญเห็นตะกอนเห็นท่านสาบุ ลูกของเราเนี่ยเดินผ่านปุวนเปียนยืนต่อหน้าบ้านของเราก็มีแต่เราไม่มีของทานแต่ปัานนี้เรามีข้าวแล้วลูกของเราอที่ไหนเนาะเน่ยนะแต่ในภาษาญีบปุ่นก็เทนพอดีพามคนนั้นเลยตัดข้าวจากหม้อใส่บาตราลิโบทเท่าพีหนะึ่งนี่ยกจะเป็นเท่าพีใหญ่พอสมควรเนีจากนั้นท่านซาลิโบทก็ได้ฉันข้าวเท่าพี ขอทำในวันนั้นก็เป็นว่าเป็นประทังประทังความหิวไปวันหนึ่งจากนั้นท่านบอกวันนี้นาาราชาพาวได้ทําบุญกับข้าโอ่งคือได้ใส่ข้าวทั้งพีหนึ่งพระเจ้าคผาพระพรมบอกว่าเกิดสารีบุตรท่าราชาพาวได้ทําบุญกับทําบุญกับท่านขอให้ท่านช่วยส่งพ่อเขาได้ไหมได้พระเจ้าผาจากนั้นพระสารีบุตรก็รับไปรับไป เป็นผู้ดูแลจากนั้นภาษาริบุตรก็อสอนให้รู้จักคำวินัยเสร็จแล้วท่านก็บวชให้พ่อบวชให้แล้วท่านไปอยู่ที่วัดป่าเชียงตะวันยคงจะจุ่งหรือวุ่นวายเพราะพระสง ม, มากเราควรจะปลีตัวไปอยู่ตามลําพางไปอยู่ในชนบทที่อยู่ตามลําพังก็จะได้แนะนําสั่งสอนเขาได้ง่ายจากนั้นท่านภาษาริบุตรก็พารัตพางออกไปไปอยู่ในชนบท ท่านไปนสอยเรื่องเรื่องคำว่าเรื่องปินัยเรื่องเรื่องบท ร, เรลละเบียความเรื่องอะไรตัวนี้อะไรอย่างที่พระสงฆ์ควรจะรับรู้รักษาพนโอกาศควรจะรับรู้รักษาจากนั้นอาจารย์จะเป็นผู้ยินดีในการฟังตามปกติคนแก่เนี่ยเห็นพวกบวทบทไพยแกย่โดยมากจะไม่ยอมรับนะบางทีก็แสดงกับกิริยาเอเ อ, เอไม่สบายใจบ้าง อะไรบ้างแต่ราษฎาทหไม่เงียบหนูฟังตลอดยินดีฟังจากท่นานสารีบุตรจากนั้นท่านสารีบุตรแนะนำส่งสอนจนแนะนาสัสอนจนได้สำเร็จเป็นพระรหัลพอได้สาเร็จเป็นพระรหัลภาษารรบุตรก็คยอควจบแล้ว่าเลนําราษฎรมากราบขอะพุทธเจ้าเข า, ากขข็บอกว่าถ า, วาวมว่าอยู่ก่อนสารีบุตรเป็นไหทุกสิแก่ของท่านภาษารรบุตรบอกว่ากูข้าอง เห็นคนแก่คนนี้นะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายยินดีฟังข้อเหตุผลที่ข้าพระองค์ได้สอนไม่มีคำที่จ ะ, สะแสดงอากาศกิริยาไม่พอใจไม่มีเลยพระเจ้าพาเป็นผู้ยินดีรับฟังพระพุทธองค์ก็ถา ม, มาเออราตถามเป็นอย่างที่อาจาร์ของเธอพูดจริงไหมราตพาาบอกจริงพระเจ้าพราข้าพระองค์ฟัง ท่านอาจารย์สาริบุตรพูดแล้วข้าพระองค์คิดในใจอยู่เสมอว่าคนที่ชี้ความผิดความถูกให้กับเราแนะนําสั่งสอนเราคนนั้นเหมือนกับชี้หุ่นเช่าให้กับให้กับเราเราจะเป็โขดท่านผูกชี้หุ่นเช่าให้เรามาในเมื่อท่านชี้หุ่นช่าให้แล้วลองไปผูกเชาก็ เ, าเป็นสจบแบบของเราเอง เพราะท่านมีเมตตาท่านดุจชีคผณชอบให้เพราะท่านข้าพระองค์จริงความไม่ขอใจความกดไม่มีเลยพระเจ้ า, านนะ พ, พัา o, B, P, าากนี่แหลพะพราะพระเจ้าโอ้ดีพักทอย่างนี้คิดถูกแล้วจากนั้นพระองค์ก็เลยพระพุทธเจ้าได้ตั้งทางคนนี้นะยุคแปดสปีได้รับเอธะข้าเลิกขอพ่สุทธิ์ทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ยินดีฟังเหตุฟังผนลนี่นนะี่แหละคือส่วนหนึ่งขณะ ข้าวพักีหนึ่งภาษาที่อุกกาญงไม่ดื่มชันไปและและว้วอันสุดท้ายท่านภาษาท ก, ก่อุกกาญจะปริยพานพระพุทธเจ้าคือภาษาพระพักตพระสาวกทั้งสองขั้นจะต้องดูดูย้อน ด, ด, ด, ดูในอดีตว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนภาษาพวกเนี่ยจะหลังปริยพานหลังของพระพุทธเจ้าหรือก่อนท่านก็ดูรู้ ผู้ใดว่าต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าทักทักสาวกต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้คือเป็นประเพณีตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนกะท่านมียาณทัศนะจากนั้นท่า น, นก็เได้ก็เข้าไปกราบลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไปตามกาลควรเถิดเถิดนักสารีบบุกนีอันนี้ก็คือท่านในอนุญาตแต่จากนั้นก่อนที่เธอจะปรินิพานนั้น ให้เธอแสดงบุปกรรมกรรมดีของท่านที่ได้ทําไว้ในอดีตให้น้องๆงฟังซะก่อนนะก่อนจะบริญญาสารีุ้ตรจากนั้นพระสารีบุตรท่านก็ได้แสดงบุปกรรมคืออดีตแต่ชาติของท่านได้ทำอะไรไวอัน ไ, ไม่ใช่ว่าอุปบ ม, มากขึ้นมาชาตินี้ก็จะเป็นสารีบุตรเลยไม่ใช่อันท่านได้ทําบุญกุศลไว้ในอดีตแต่สมัยพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นความเทชมังคุดสองและสงไขกำไรแสนเก่าจึงได้เป็นแด้รับอิทธิค้าจากพระพุทธเจ้าในคราณิจากนั้นได้มาเลายเกี่ยวกับ ป, ปุปกรรมเก่าเขาขท่านจากนั้นให้เป็นลาพระพุทธเจ้าท่นนทานไปที่ไหนท่านก็พร้อมกับ พ, บพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นบริวารตามสเสด็จไปท่านเดินไปทางเมืองนาลัานทาเมืองนาลัานทาคือ บ้านเกิดของท่านเออพอไปถึงบ้านเกิดของท่านคือแม่ของท่านภาษาญี่ปุ่นอายุของมากแล้วมีลูกทั้งหมดเจ็คนพอลูกทั้งเจ็คนเนี่ยบวชทั้งหมดได้สําเร็จเป็นพระอรหันทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายเนีแต่ท่นี้แม่ของท่านก็เป็นทุกเป็นร้อเพราะมีทัพทั้งแต่จีบโกรจะไม่รลดจะมอบให้กับใครท่านเห็นสารี่ปุตรเข้ามาเนยเฮ้ยลูกเอ้ยอายุแก่ถึงขนาดนี้ยังไง เข้ามาแม่เนาะพูดเลยแม่จะมาทำไมแม่สอบซ่อมสมบัติแม่หาไม่ให้ต่านแปลกจีโกดแต่ภาษาญี่ปุ่นก็เยอะทางแม่พูดถากถางเนี่ยคล้ๆกันเยอะอย่างบ้านป่าปานี่ยังเข้ามาเนาะแต่ภาษาญี่ปุ่นจะพักที่ไหนแม่ครับจะพักที่ห้องพอดคือห้องพอดคือท่ทานเกิดบ้านที่ห้องที่ท่านเกิดตรงนั้น แม่ก็จัดห้องห้องให้พอจัดให้ห้องให้นะพสงฆ์ก็นั่งร้อมๆแต่ถึงอย่างไรก็ให้พระสงฆ์แหวกขมให้ใ ห, ให้ให้โยมแม่มองเห็นให้มองเห็นข่าอยู่ในห้องอทอดคือเปิดประตูเอาไว้จากนั้นท่านก็อาการของท่า น, านเหมือนกับท่านจะทิ้งขันนะพระาราานจะทิ้งขันนะท่านภูมีิทิฤิตาท่านจะทิ้งขนนะท่านทิ้ ง, ท, งทิ้งไปเลยนะ พอจนขาดขาของท่านถ่ายท้องอยางมากจนเป็นเรื่อดพอถึงตอนค่ำตอนกลางคืนมาเทพเจ้าเหล่าเทวาจุดท่านเ่าเขาแจ้งข่าวกันขึ้นไปเรื่อยจนถึงเทวบุตรเทวันดาบนสวงสวรรค์อากนั้นพระเทวันดาลงมาเยี่ยมมากราพอมาตอนหัวค่ำแม่ก็เห็นโู้ทําไมคนที่สวยงามมากนะัก เ, เสร็จแล้วมาทำลูกไข่ม า, า, มมากะว่านกินภาษาเรียกว่วาเทวดาเทวดาชั้นสวรรมายเยี่ยวแม่โอ้ลูกจะเป็นใหญ่กว่าเทวดาใช่ไหมใช่อาตมาเหนือกว่าเทวดาพอถึงเกิดึดดดกๆดลอยพักอินลงมายเยมมาี่ยมบากดาวอีกโอ้สีเขียวสวยงามมากอีกกระทาแม่แม่กประทาวลูกไข่มาเยี๊ยมกินสวยจริง พัดีมาเหยีบแม่ลูกหรืเนื้อขอว่าเองใช่ไหมใช่ต่อมาอีกพอถึงเที่ยงคือโผล่ลงมากร่มากรสารวัตรก็ทราบตาท่านสารีบุ๋ยจะทิ้งจะทิ้งขานแล้วท่านจะเข้าสู่วิปานเแต่ยโผมลงมากระโผมลงมาถามแม่โอ้โหคนนี้สวยมากกว่าทุกทุกครั้งที่เห็นถ้าถามว่านี่เป็นใครูปที่มากรภาษาไทยนี่เป็นผมเอ้าโผล่หนึ่ง ยังเขารูปเกียคือพามท่านหลายท่านที่บอกงเนี่ยเหนือกว่าเป็นต้นตระกูลของขอ ง, ขงของพรามณะดนต้นตระกูลของพรามณยังมากากาภาษาถูกแม่หาร่าไม่ว่าพระราหเหนื อ, อกว่าโธงแค่นั้นแต่แม่ก็บกโ อ, อ้ลูกของเราเนีเ่เหนือกว่มโธงโธงจะมากราบไหว้ลูกของเราเยหมดทิฏฐิมานาที แม่บวชหมดทิฏฐิเพาหน้าที่มีทิฏฐิเพื่อทรัพย์สงสารต่างๆภาษาริบุตรจะเป็นก็เลยบอกพ่อแม่อย่าไป็นเมั่นถือมั่นนะให้ปล่อยวางนะให้เหตุอนนี้จะทุกข์ขังหน้าตานะให้ประกอบคุณงางความดี น, นพะพ่อแม่แนะนําสาวสอนแม่แม่คิดตามที่ภาษาริบุตรแนะนําข่านได้สาเร็จพระสโสดาบันแม่ของภาษาริบุตรพอท่านได้สําเร็จพระโสะดาบันภาษาริบุตร โลกใจนะแต่ก่อนแม่เป็นพุกเป็นร้อนกับลูกทุก7็ดคนแต่ับันนี้เราได้สมแม่ไปเกาะบันไดขั้นแรกก็คือพระโสโดาวันต่อไปก็คงจะเป็นพระสกราพรนาคาพระอรหันในพระโสดาบันเนี่ยอันดับแรกคือเกรดเอเอพีเกิดชาติถิแต่ถ้าว่าเกรด B ดกเรล่าโังโกรักเกิดสามชาติ ถ้าเกศีเกิดเกศชาติทวัดสตขัตปรมัตถแต่ท่านก็ไมด้กล่าถึงว่าแม่ขอพระสารีบุตรท่านจะเกศเอลลเกหรืเกศปีเกศสี่เกเพจยแพูดว่าท่านได้สาเร็จพระโสด า, า, า, สาบันจากนั้นพระสารีบุตรสโขพุทาละกองเราแล้วแม่ได้สาเร็จพระโสดาบันแล้วจากนั้นทางก็ประเดี๋ยนีผ่าจากนั้นก็ได้ถวายเลิดท่านสารีบุตร เนี่ยอันนี้นะคือดูสิวา่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากย่อมนานึกถึงพระคุณผู้มีอุปการคุณถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาน้อยจะนานึกถึงใครไม่ได้แต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วย่อมนำนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการคุณอย่างท่านสารีบุตรอย่างที่อาจาได้เรียนให้คณะสัตยานะ ในสาเพราะฉะนั้นพักคุณของปูบาอาจารย์อย่างลูกปู่ของเราลูกปู่ไทยของเราหลวงพ่อว่าถึงจะไม่ถึงกับสาปใหปุ่นแต่ท่านขอพวกพักคุของหลวงปู่ฟังหลวงปู่พ่อแม่ปูบาอาจารย์ลูกตาของเราแต่งหัวใจของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเรามาเราดึกถึงพักคุ่นของหลวงปู่ไทย จะได้จะมาพูดเกี่ยวกับการภาวนาทีนี่นเรื่องการภาวนาในการภาวนานในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้คือสมถะคือทำจิตให้สงบส่วนหนึ่งและวิปัสสนาการพิจร า, ารณาการกลองไตรกลองเหตุได้ผลอีกอย่างนึ่งสรุปแล้วก็คือสมถะและวิปัสสนาคําว่าสมถะคำนี้พระพุทธเจ้าท่านยก พระ อ, องค์ท่านพระพุทธเจ้าท่านไปสเสด็จไปค้นค้าศึกษาอยู่ที่แม่น้ำอนุมานาทีอยู่แถวนั้นเพือหปีในี่วันชุดสาเร็จตัวท่านได้สาเร็จเป็นพระ พ, พุทธเจ้าพระนุตราชสา ม, มาสามโพธิญาในวันเดืนอนหกเพ็ญนั้นท่านทํำอย่างไรอันนี้พวกเราศึกษาถึงนี้แต่ท่านวิธีการทำหกปีนั้นเราไม่ก็ เราแม้ก็เ ป, เป็นเป็นแนวทางก็ไม่แต่วันที่สําเร็จสูงสําเร็จท่านทําทอย่างไรวันนั้นท่านนั่นนงจัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมื อ, มอซ้ายทํากายให้ตรกตามโรจสตเฉพาะน้กำกดลมลงหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจากนั้นจิตพระไทยของโอรวมสลบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะ เกิดชานขึ้นมาในขณะนั้นจากนั้นก็พระองค์เมื่อเกิดญาณทัศน์เกิดชานพระองค์ร่างฤชาติฤทธิชาติผลังได้กม่ว่าปุถุเถรไม่ว่าสารุสติยาฤทธิชาติผลังได้ชาติเี่แล้วเป็นอะไรมาจากไหนชาติข่องเป็นยังไงมาจากไหนในมองหงพระอยาวเก่งไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติจะรู้ได้บ้พระองค์บำเพมาสี่สงไขย กำไรแสมหากรรอันนี้คือปัญญาที่กัปศรัทธาที่กัวิริยะทีกัปยาวกว่านี้อันนี้แปลว่าเราตะทาโคสเนีเ่ยบเพ็ญมาปัญญาที่กัปเพียงเท่านี้อันนี้คื อ, คอพระ อ, องค์ย้อนหลังอยูจากนั้นพอพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ดูปิดรวมสมบกลงอีกย จ, จุดตูปคาตาญาการบุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายมองพระพุทธ มองดูสรรพสัตว์ในโลกแต่รับคนนี่ทําไมไม่เหมือนกันทําไมคนนี่โง่ทําไมคนนี่ฉลาดคนนี่ทําไมสวยงามทํำไมคนนี่คิดไร้ขีดเลยทำไมคนคคมคนี่จึงเป็นบ้าเป็นไม่อะไรลักษณะนี้นนทําไมคนเกิดมาถึงไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองกังกังคือการกระทำการกระทาของคนไม่เหมือนกันชิดไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกัน ในเมื่อคิดไม่เหมือนกันทําให้เหมือนกันพูดไมมือนนะกกรรมตัว น, นั้นจะไปพูดนําพาติดตามของคนคนนั้นถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามให้ผลถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามให้ปวดเป็นในศพเป็นในทางที่ดีเพราะฉะนั้นภพประวมจึงตัดเป็นพระบาลีว่าอากรตรังตุกะตอยอย ะ, ะ, ะตั้งเสยยปัจฉาตปติตุกตังกรรมชั่วอยากทาเฉลยดีกว่า เพารากรรมชั่วเมื่อทาไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อไฟลังไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราทํากรรมชั่วออกไปแล้วเนี่ยอันนี้นพูดองค์มองกรรมตอนตอนถึงเที่ยงคือตรียกว่าตุตูตปะปะแต่ยานการดู ก, การเกิดการตายของสัตว์มองอูและไม่มปนกันพอกรรมให้ผลจากนั้นพอถึงยวนสว่างพระองค์ก็ได้จัดสรุปเป็นพระอนุเคราะสา ม, มาสามโปติยา พระค์กิจตัดกิเลสออกจากระภัยของอกจนได้สําเร็จเป็นพระอรุตระชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิด อ, อีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เราหมุนเวียนไหวาตายเกิดในวัฏจักรสงสารเราฉลาดเราสลัออกจากจิตใจของเราเรากิเลสโลภโกร ง, งออกจากใจของเราแบบ น, นี้เราหมดแล้วที่จะทําให้เวียนไหวาตายเกิด อ, อีก เพราะสิ่งที่จะทำให้เียดไหวตาเกิดเนีเราสลับทิ้งเสียแล้วนี่แหละอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าในวันเกิดปกเพลสรุปแล้วคือท่านได้ตัดสรุ้ธรรมสามอย่างอันดับแรกก็คือปกเพลีวาสามติยาวตอนหาวข้าพพอถึงเทียนขึนจกตูปาปาแต่ยาพอดวนส ว, าว่างปปาแล้วอาสาพักแต่ยาวนี่ยทุกพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ปธรรมแต่ทีนี้มาพูดถึง พ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเราอที่ท่านนําประยุกต์ทาคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านก็บอกว่ายืนยันตามทาคําสอนของพระพุทธเจ้าตามพ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่ท่านได้เดินป่าโปงโภภัยภายฝนต่แบบแบบภายหวัดแต่แบบแบบกดเข้าสู่ปาโปลโภภัยอยู่ท่ามที่ทามให้ตามที่ประวัติของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ยืนยัน ว่าทำจิตใจให้สงบแล้วเรารู้ได้กตัหัวีของเราเองตายแล้วไม่สูญนะตายแเกิดอีกแน่ๆนะสิทธิ์ที้เกิดมันมีอยู่ในตัวของเราแต่ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถนะแต่ว่าจิตใจเหมือนกับคนขับรถนะคนขับรถนะรถนะี่ต้องเผาที่ต้องทิ้นโคลนยากแนๆ่ๆแต่คนขับรถนะมันจะไม่อยู่ในโคลนยากถ้ารถเสียมันออกจากรถนะแต่ว่ากนที่จะออกจากรถนะั้นนะ เขมีเงินแรือเปล่าเขาได้ทําคุณงามความดีไว้หรือปล่าถ้าว่าเขาไม่ได้ทําคุณงามความดีเอาไว้คนออกเดินออกจากรถไม่มีเงินคือคนไม่มีคนไม่มีเงินแล้วจะไปซื้อรถคันอื่ได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุไรพราไม่มีเงินไปซื้อคันอื่นเมื่อไม่มีเงินในต่ระเทศไปเกิดเป็นหมูหมาก้าไก่แต่เป็นสัตว์ที่จะารเผอเพราะตกนรกอกเพราะเห็นไรเพรากรรมไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดี ต้องไปสู่นรกรือเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์ที่เดือดฉาบนรกเห็ น, นไม่เด็กเพราะนั้นสัตว์ที่เดือดฉานก็มีมากมากมายในโลกอย่างพวกเราท่านท่านหลายรองรับวิญญาณของพวกเราที่ทำกัรชั่วอยู่เสมอแต่ไม่มีคําว่าเด็กนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราพิจารณาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราท่านแนะนำ ส, สั่งสอนว่า ตายแล้วไม่สูงเออร่างกายไม่สูงตายได้แต่นามธทําคือจิตใจไม่สุงอันนี้ ท, าท่านพิสูจได้ด้วยตัวงท่านเองอางนักเทศน์มาให้นำสัส่สอนพวกเราถึงอย่างหลวงปู่มั่นตนตระกูลพระธรมธรรมอย่างของเราท่านบอกว่าเออถ้าเราปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธญากกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเขาอกนั้นมันช่้างเกิดไปมันถูกแรงเพราะฉะนั้นให้สำคัดเขาเ้าอีกนะหายใจเข้าบริกรรมบอกพุทหายใจออกบริกรรมวาโถดในหลวงปู่มั่นท่านเอากรรมาฐานของพระพุทธญาติว่ากรรมฐาน40่สินำมาใช้สองอย่างคืออาณาปานสติพร้อมกับพุทโธ พานสติมาประยุกมาประยุกต์ใช้สองอย่างคือลงหายใจเข้าออกกับบริกรรมพุทโถเนี่ยไอพวกเราสังเกตดูนะทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโถมีสติสามปรชัญย์เนี่ยแต่การนั่งสมาธิก็นั่งอย่างพวกเราทำท่านายนั่งแต่ลหลวงปู่มั่นหรือท่านแนะนำสั่งสอนอย่างหลวงพ่อเองเคยเป็นเนรน้อยพราะหลวงพ่อเนียขึ้นมาจาก แต่ท่านจะวาไปขึ้นมาจากสามใบเบเป็ดเปี้ยขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้แตท่านรู้จะสอนอยังไงแ่ท่านจะสอนแบบแบบเด็แบบเ ด, ด็กโตูราท่านสอนแต่ว่าเฮ้ยเด็กชายนีนเวลาจะนอนจะหลับจะนอนนะเรามาอยู่วัดนะทาให้เราไม่ไหวพักสวดมนตะก่อนเทศไปเจ้าเรา เ, ราเทว่ากูมั่นบุขาลเทวดา เ, เขาจะไม่ลง โ, โมทนานะให้ไหวพ้พระนะด้วยรางนอนนะหันไปศีรษาไปทางไหนให้กลากไปทางนั้นหละนะกาบพทุทโธให้กล่าวระลึกถึงพุทโธไม่ใช่กล่าวปลิเฉยๆนะกลาวพุทโธธทรมโมสังโธจากนั้นก็ให้ลึกในใจทั้งหมดนิพพานนะด้วยนะถ้าว่านิพพานำคำนี้ได้ใจว่าข้าวไปจ้าวฝัพระพุทธเต็มย่าถ้าทำพระศุหวังอนิยภา จะไม่ขอมาเวียนวตายเกิอดอีกให้คิดว่าพุทโธธรโมโสังโธนิพพานนะคือปร า, า, า, ะะอารถนาปฏิปันธ์อยากได้กอาหังสัมมาสัมพุทโธกับสวาสดิโฐสุปฏิปนโกป่าบวิท่าอยากนด้กวานนาโมนะนะโมแต่เขาแบบพุทธังได้ไหมสมัยน้บวชมาใหม่ๆเป็นเด็กใหม่ๆวิญญยังไม่ได้พุทธนะแต<อ><อ>่เขาจะนาโมก็ได้นะเอานประ บ, บอก น้โมตัสสะพระเขาวัตโตะบา้านโมยังไม่ถูกอีกตัสสน้โมตัสสะพระเขาวัตโะราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะพาดตสิทัตันมานใกัจนน้โมตัสสะพระคาวโตพระรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่แหละท่านสอนกับท่านนโมจากนันท่านบอให้แผ่เมตตาแต่ทำให้อย่าลืมแผ่เมตตาเพราเราแผ่เมตตาไปอยู่ใน ภูผาป่ า, าไม้ภูมันลูกข่าเทวดาจะเป็นนี้เป็นสหาหิตต่อเราทั้งหมดถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อริศตูในอดีตแต่ท่าว่าถ้าเป็นอริศตูปรนมาแล้วไม่ปากกันมนะันดีติดนี้ไม่พ้นเพรา ะ, ราะูจองกรรมจองเวรกับเราอยู่ถ้าว่าเขาจองกรรมจองเวรเราใหม่มันจะจองไม่ถึงนะถ้าเรามีเมตตาในจิตใจเหมือนกับเมตตาของเราเป็นเป็นกานะเราอยู่เพราะฉะ น, นั้นให้แผงเมตตาคนนะ แผลแม่ตายแผู้เกแผล ง, ง่ายก็ได้แต่ต้องปลาอาหารกนริกนโตนี้ิตโผล่ข้อมือนั้นเราแปลงไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจเรานึกในใจว่าข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพ เ, เจ้าต้องการความสุขอย่างไรผูออ้อื่นสัอวิญญาณอื่นทั่วไตโขกกระทาขอขอให้มีความสุขอย่างข้าพ เ, เจ้าต้องการอย่างข้าพ เ, เจ้าปรารถนาคุกคุกวิญญาณด้วยเถิด ให้คือแผ่เมตตาอย่างไว้น่านี่ยนะอันนี้คือผนะูบาอาจารย์ท่านแนะนํา ส, สอนในพิธีการปฏิบัติกับตนเองจากนั้นก็ให้นั่งเผากล่าวนะกล่าวอีกพุทโธธรรมโธสังโธนิพพานจากนั้นเข า, เ า, นะานะขาฝวาทับขาซ้ายพอขาขวาทับ ข, ข, ข, ข, ข, ขาซ้ายแล้วให้ประนมมือซะก่อนให้ไหว้ครูสะก่อ น, ค, อนคือไหว้พระพุทธกจ้าพระธรรมพระสงฆ์การที่นั่งเาวนาไม่ใช่ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นความคิดเป็นคําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้ภาวนาเราไห้ไหวค้ครูสักกอดป น, ม, นมมือขึ้นระหว่างโบและบอพุทธโผลธรรมโมลสังโผลพุทธโผลธรมโผลสั่งโผลสามจบอากนั้นเอามือลงพออมือลงทีนี้กำห น, นดลมหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกโผลหายใจเข้าพุทหายใจออกโผลแต่จะเป็นเพลง คนะให้หายใจตามปกติ่อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแตท่านสอนให้ภ า, นาวนาเราใจยึดจางอืนก็ได้กรมมฐานาอย่่ก็ได้แต่อันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูป่มันท่านบอกว่ากรรมฐ า, านภาวนาพทุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกเกือถูกกับทุกมัจะหล แต่าพูดอย่างนั้นปิดจิตปราเจิตโมหะจิตโทสัจิตเนี่ยถ้าำถกำหนดลงหายใจเขา้าหายใออกเกลือผูกกับทุกใจนะนี่แหละแต่ท่านทำไมว่าถู ก, กทุกข์ใจนะเกลือผูกนะไอนะ้คนนั้นอันนี้คื อ, คอกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายล่ผูกมัดท่านแนะนาสั่งสอนจากนั้นหลวงพ่อเองเมื่อไม่นา ม, มานี้อีกมีคนคนหนึ่งคนหนุ่ม เอามาถามท่านอาจารย์เขาผมไม่รู้จะเจับกองฐานอะไรไปแนะนาไปหาครูบ า, าอาจารย์องค์หนึ่งถ้าขอแนะนำอย่างหนึ่งไปหาองค์หนึ่ง่านแนะนำอย่างหนึ่งผมก็เลยรู้จะออกอย่างไรห ล, เลเนเลไปหมดลวงพ่อเลยนั่นนะถ้าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรีนรู้ให้กว้างขวาง ม, มันเสาร์ง น, นะเอมันเสาสรสเพราะเหตุใด เหมือนเราไปถามไพิธีหางเงินทํำยังไงพิธีทางเงินยังไงพอไปถามพวกปลีดยางเขาบอกว่ิธีปลูกยางปลูกอย่างนี้นพออายุเจ็ปีเราต้องปลีดอย่างนี้นี่แล้วพอไปขายอย่างนี้นี่เราก็ได้เงินเเราเออใช้ได้เงินมาตอนนี้พอไปถามพวกชาวนาอีกเลยคนชาวนาเอ้ยไม่ใช่เราต้องทํานาต้องทําอย่างนี้นี่ เ, เก็บข้าวนี้นีและกแต่ขายข้าวได้เงิน เ, เราก็สบแต่ทำไมคนขายกีดยากกัคนทำนาไม่เหมือนกันอย่างนั้นไปขายพกของชอาวต่างีระเทศมันอาชีพแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันในที่ภาคษาอาการย์ฟูบาอาจารย์แต่ละวิชาอาชีพมันมีมากทีนี้เราไปถามเขาก็ได้เงินเหมือนกันเรากไม่รู้จะทำยังไงจิโห่ มันนักถนัอย่างนี้แหละพวกเราอย่าสับสนนะ อ, อย่าสับสนคล้ายๆกับท่านครูบายแนะนําสับสนอะไรเรามาพิจรารณาดูว่าถูกกับจริตของเราเอาเถอะให้เราเชื่อในปฏิบัตปทาของหลวงปู่มั่นก็นแล้วกันเพราะเราเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นท่านสอนอย่างนี้ให้พิจรารณาอย่างนี้แล้วมันก็ประบปฏิปทา ในเมื่อปฏิบัติแล้วพวกเราน่าจะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติแบบสายลวงปู่มั่นกระดูกอธิธาของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนกรรมฐานให้พวกเราฟังอธิธาของท่านก็แตกปลายเป็นพระาตให้พวกเราได้เห็นและพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสัสอนพวกเรามาท่านก็เป็นกระดูกของท่านก็แตกลายเป็นพรธาตุให้พวกเราไ ด, ได้เห็นอีก พวกเราน่าจะตายใจหน่าจะไว้ใจน่าจะเชื่อถือได้ว่าพ่อแม่ปู่ป้าญาติของพวกเราคือพระผังที่ท่านได้บรรลุสําเร็จมรรคผลจนนักกิจภาพของท่านได้กลายเป็นวันทนให้เป็นที่ประทับใจได้เป็นที่ที่พวกเราไป้เห็นอย่างชัดๆพวกเราน่าจะไว้ใจได้กรรมฐานที่พ่อแม่ปูบป้าญาติแนะนำ ส, สนั่งสอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเร า, เาช่วยๆให้พวกเราทั้งหลายให้มั่นใจนะ ยึดกรรมฐานนี่คือสมถัทธาสมัถธากรรมถานคือทอําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงพ่อเขาบอกเออหลวงพ่อเคยแนะนํานะถ้าเกิดคยได้ปฏิบัติเคยสังเกตกตัวเองอีกตาหนักแต่ถ้าเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าห า, อกอกหายใจออกเนีย่ยถ้ามันไม่อยู่ให้บริกรรมวิธีก็ร อ, ออีกนะให้หายใจเข้า ไอ้แอกมันมนหาเกิดไปให้ใจของเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันถี่แต่จะไปเปลี่ยนจะไปเปลึงนะไอ้แค่เท่ามีความคิดหมายสำทับพุทโธไปจุดนั้นจุดที่มันคิดจะทํำให้จิตใจของเราสงบได้ไอ้เนี้คือส่วนหนึ่งนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําแต่หลวงพ่อเองแนะนําอีกว่าพ่อกรรมฐานของพระพุทธญาล40ี่สิบอย่างแล้วก็มากกว่านั้นอีก ให้พวกเราสงบดูนะถูกพอแน่นอนหายใจเข้าเมื่อนกับความอานาปาแล้วจะตีเหมือนกันหายใจเข้าไปเรานับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสานับสี่นับ5้านับหจนถึงร้อแล้วนับหนึ่งใหม่หายใจเข้านับหนึ่งเออคือเราจะรู้ได้ยังไงคือหายใจเข้าเลขคี่หนึ่งหายใจออกเลขคู่สองหายใจเข้าเลขคี่สามหายใจออกเลขคู่สี่ ที่คูที่คู่ที่คู่ไปถึงร้อยไม่เปิดสแสดงว่าสติของเราดีเหนือช่วงระยะหนึ่งหนึ่งนาทีกว่าเรารู้ในตัวตัวเองไม่ต้องถามใครแต่ถ้ามันจะเถื่อนั่มันจะเบ่งเบิ่งนั่งเข้าไปมันจะเบ่งเบิ่เสร็จแล้วมันจะหายใจเข้ามัเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่อันนั้นเปลว่าสติของเราขาดนะถ้ามันขาดไปก่อนไม่เป็นผลดีนะควรจะตั้งให้แข็งแกรงอันนี้คือวิธีการ ตั้งสติคือส ม, มัครัานคือทําจิตใจให้สงบ ก, ก่อนที่จิตใจสงบและจากนั้นเราจะนํามาพิจรารณาทางด้านปัญญาทางด้านปัญญาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสอนของพวกเราหลวงูมั่นคือหลวงตาครูบาอบาจารย์ให้พิจรารณาร่างกายนะนเกสรผมโลมาขนนักขา่าและทางตาฟันตะโจ น, นัมังสาม เ, เนเื้อเอ็นเกล็ดเจริญกระดูกมัดหัวใจต่าท้งผืนคืออาการสา สอร่างกายให้แยกส่วนแ บ, บ่ส่วนนะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ําำลมฝอยอันนี้คือท่านให้พิจารณานะแต่ตรงมาถึงจุดนี้นะมาถึงจุดนี้ไม่ว่าในทางนี้ในครั้งพระพดดุทธเจ้ามันไม่ค่อยจะยอมรับใครเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะบางคนก็ติดในโรคนะเห็นว่าร่างกายตัวเองเซ็ตสวยมดเงา ไม่อยากจะฟังคาว่าอาสุภาพปฏิภูมิท่านนี้นะแต่ตาไม่จิงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะพดะเจา้าทีว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีทวารทั้งเก้ามีขี้ตาขี้หู ข, ขี้จมูก ข, ขี้ปากขวดยาลัปัจจวะเนี่ยมันจะต้องไหลออกจากทวารทั้งเก้าอันนี้คือขมบัติปุถุทั้งหมดแต่เราไม่ยดหรอกตาคนาดูหูคนาดูจมูกคนาดู แอบปากก็น่ า, นารู้ฮะสวยงามไปหมดฮะอันนี้ก็คือกิเลสของเราเสกสรรแต่ว่าทำทำคำสอนของพุทธเจา้าท่านได้หวานอย่างนั้นท่า น, นพิจารณาแต่หลวงพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกยกตัวอย่างหนึ่งในครั้งของพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าเนี่แต่เราเป็นพระพระพุทธรตสัมมาสัมพทธเจ้าท่านกุ้เทือดเทืดสมถะและวิปัสสนาสมถะคือทาจิตใจให้สงบ อย่าวากรรมฐานในปีว่าปีปัจฉนาคือแยกแยกไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นของสุภาพปฏิกูลไม่ใช่ของสวยงามนะอย่าไปคิดว่าสวยงามนะร่างกายแต่รพระพุองค์ผูดในยุคสมัยนั้น่คนที่ติดในรูปไม่พอใจอยกตัวอย่างอย่างอัคร ม, มเหสีของพระเจ้าพิมพ์ิสารชื่อนามเกมา นางเขมาเป็นผู้มีภูมิร่างสวยงามมากเป็นอัตมาเสีของพระเจ้าพิมพิสัตย์แต่นี้พระพรองค์เทศเรื่องอสชวัตรปฏิปุณของร่างกายนางนีไม่ขอใจอบอกว่าไม่พอใจให้ได้ว่าร่างกายเสร็จสวยมดงามแต่พุทธวจนะพุทธเจ้าต้องมีต้องมีได้อย่างไรต้องมีได้ไต้อ ง, งมีร่างกายเอ่ยแตนี้ นางเจมมาไม่ไปวัดขนาดนั้นนะในครั้งพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาไม่ไปวัดไม่ไปวัดไป เ, เวทท่กวันเลยทั้งที่พระเจ้าแผ่นดินก็ไปใครก็ไปไ ป, ไ ป, ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่นางเจมมาไม่ไปแอนติ้ไม่ไปาพระพุทธเจ้าตำหนินข่างกายว่าเป็นของอสุภะแหลจากนั้นพระเจ้าพิมุสสะเนี่ยไปดูจะทำยังไงก็เลยหาพวกพวกตวีพวกร้องเพลงมาถึงพวก พรองแต่งกรอนเ่ อ, นะเอวัดเวทุกวันสวยอย่างนั้นนามอย่างนี้เหมาะสมอย่างนั้นไม่เหมือนเก่อนบาลายายถึงชั้นสวรรค์ลักษณะอย่างนั้นเออทีนี้นางเขียนมาก็ได้ยินเอ๊ะพวกเธอทั้งหาลายบัลายายที่ไหนนี่เอ่อกับบนบาลายายวัดป่าเ ว, ว, เเเ ว, วทุกวันเลยเอ๊ะเราเคยไปโหเวทุวันทุกวันนี่สวยนามที่ผมพูดได้แค่ ก็พร้อมกับพรสงฆ์เสด็จประภอยู่ที่นั่นสวยงามมากถ้าเกาดนะเราก็น่าจะไปดูน่านางเข ม, มากคิดก จ, จะไปดูวสวยงามอย่างที่พวกกบีเขาแต่งกรอนหรือเปล่านะั่นจากน้นวันนะั้นกระทั่งกับหลบไปกับพวกน้องบริวารไปกับบริวารไปกับเพื่อจะไปดูดูว่าวัดป่าเวรุวันสวยงามไหมพอไปตอนเย็นนะอุ้ยไดย่าขึ้นธรรมะ สแสดงเอาดันั้นพระพุธองก็รู้เล้ว่านางเขมามาในวันนี้เอ่อจะเข้ามาฟังพระธรรมเทศนาของเราแต่เอาเถอะเอ่อเราจะไม่รู้เขาจะมาเขาจะมายืนอยู่เขาจะมามองดูแต่ในนี้พระพุธองก็เห็นว่านางเขมมาจะเข้ามาพระพุธองก็นิลมิตรนิธมิตรเป็นสาวสวยงามมากเข้ามายืนอ ย, อยู่ข้างๆพระพุทธเจ้ า, จานั่งอยู่ข้างๆ ถวายงานพักใครๆบอกใช้พักพัดพุทธเจ้าเออพัดแบบสวยงามหน่วยหน้าทุกอยา่างแต่นี่ก่อนางเขมามาเห็นหญิงสาวคนนี้เท่านั้นโอ้โหเรานี่ถึงเสี่ยวของหญิงคนั้นั้นเลยใครว่าพุทธเจ้าตาําหนิร่างกายว่าเป็นของเจ็ดเป็นของศกะโปง ป, ปฏิโกงนางคนนี้นะันน่งข้างๆพุทธเจ้าเนอ พัดกพูดใ้เจ้า่าโอ้โหสวยจริงๆนเออนางเขมานี่มองตาไม่กระพิบเลยเห็นว่านางคนนี้สวยงามกว่าตัเองอีกนางจ้องอยู่พระพุทธรงก็เห็นว่านางเขมามองน้ององหญิงนิรนี้คนนี้หญิงสาวนี่นีรคนนี้พระองค์ก็เตีมให้เป็นที่แรกสิบห้าสิบกสิบเ็ดสิบปด ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบเจสิบแสิบเก้สิบนะเนีจากนั้นก็เนี่ยผงหงอกผงขาวฟั น, นหลุดเยเออนาเหี่ยวยอนยานเลยนางเขมมามองเห็นเมื่อกี้เนี่ยนางคนที่สวยงามมากแต่บาดมีโอ้โหร่างกายเนี่ยขนาดที่เดือมนุษย์เนี่ยถ้าได้แบงนึกเห็นอนิจั์เ น, นี่นพอเห็นอนิจา์พระองคกมีเขมา เนี่พูดอไรเลยนี่แหละเขมร่างกายของเราจะสวยงามได้อย่างครับแต่สมัยน้อยหลประชายมันเป็นอย่างที่สวยงามแต่พอเท่าแกชา่ชรามันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่เป็นอย่างอื่นเธอจะเป็นองค์ทำใหม่ในร่างกายพอนางท่านได้ยินฉะนั้นสะ ด, นดุดใจเออได้สําเร็จพระศูนย์ดาวได้สาเร็จพระศูนย์ดาวมันก็เทศต อ, อีก พอเทพต่ออีกนามเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่ตั้งความปราถนาไว้ในครั้พุทธเจ้าองค์ก่อนนางได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่นั้ น, นที่ฟังใน ว, วันนั้นพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านนี้พุทธองค์ก่ก็เรียกพยากิพิสานไปเจ้าปิพิสานปิพิสานนางเขมาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะถ้าว่าเธอจะเป็นครวาสอยู่นะเธอจะมีอายุเพียงเจวันจต่ป ร, รินิพานนะ ก็จะให้เธอปวดไหมถ้าเธอปวดเป็นพิกจุณีนะจะมีอายุยืนต่กไปพระเจ้าพิมพิสารองค์ให่เจาเลยพระเจ้าค่ะอย่าให้นางคนนิพผ่านเลยพอให้นางได้ปวดเป็นพิกจุณีเถอะอย่างน้อยข้าองค์จะได้มากราบมาไหว้เขาเพราะท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่แหละจากนั้นนาเก็ได้ไปปวดเป็นพิกจุณีในครั้งพระพุทธกาลนี่แหละ สรุปแล้วก็คือเรื่องการโรนาะมไม่ใช่ธรรมดามันการ่นนะ์ก่อนที่พระเดจจ่าจะอบรมแนะนำสั่งสอนไม่ใช่จอมรับทุกคนแต่ขณะท่นานนางเขมาที่ท่านมีปัิสัยมรรคผลนิพพานอยู่แล้วถ้านก็ยังแอนตี้ของพระเดจา่ยังไม่พอใจจนถึงได้ฟังดูฝองอิงเข้าไปจึงยอมรับในใจจากท่านเขาท่านก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล แฟนคอยพวกเราคณะสัตยาธิษฐานทำคำสอนของพระพุทธเจา้าหรือทำคำสอนของพ่อแม่ครูกว่ า, ากันของพวกเราสอนไปในลักษณะเดียวกันพวกเราอ่านศึกษาอยู่ในพระไตรตไปิดกมาแล้วกันทา่ทานทำสมาธิทา่ทานทําอย่างไรกําหนดอย่างไรทําสมาธิแต่อย่างที่อาจมาเรกพูดว่าเขามาถามอย่างที่ว่าคนหนึ่งทําอาชีพอย่างหนึ่งอากคนอาชีพอย่า ถ้าเราไปศึกษาทุกอาชีพมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหแต่ถ้าเราเชื่อในแนวแถวของหลวงปูมั่นซักยึดตามแนวแถวนี้แต่แฉลบอื่ไม่ผิดไหมไม่ผิดเออไม่ผิดมันถูกทุกอย่างกรรมฐาน40สพระพุทธเจ้ า, ยาวางไว้แล้วเราไม่ได้ดูถูกคนอื่นแต่ถ้าเราจะยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นก็ให้เรายดึดตั้งใจยึดจริงๆให้ภาวนาอย่างจีิ ผู้แม่ผู้บาดการหลวงปูมั่นทานสอนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหลคือสมัชกรรมฐานอ่าและก็มีปัจฉนากรรมฐานก็ให้พิจารณาร่างกายให้เป็นของให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่สมถชานและมีปัจฉนาต้องศึกษาตามกลมตามวรรคอ่าถ้าเมื่อพิจารณาร่างกายเหนื่อยล้าแล้วก็ให้สมัชเข้าสมัชคือทําจิตใจให้สงบ ในเมื่อจิต ใ, ใจสงบอพอสมควรแล้วนำมาพิจารณานํำมาพิจารณาแล้วเข้าสู่ความสงบตามกลางตามวาระสมถะและวิปัสสนาไปด้วยกันนี่แหละอันนี้คือความถูกต้องในการขอพุทธปฏิบัติธรรมพนั้นวันนี้อาตมาจะยกพุทธทาสิทธิ์เพื่อต้นว่ายระยะตมิ่งะเดซเีกับเปติวาสร้างวั น, นติตัตชาติโย ที่ระวันเตตะโพเชตวะสันจะตามพระมารินมแปลว่าบัณฑิตอยู่นั่นที่ใดท่านจะเชิญชวนสาธุชนร่วมกันรักษาศีลรักษาธรรมส่อรวมระวังใจกายวาจาประพฤติผงมัรรย์ดูแลกันในที่นั้นๆด้วยความสุกและอาสุขตลอไป นี่แอันนี้ข่าจะยกเตัวหลวงปู่ของเรานะถ้าจะว่าเป็นบัณฑิตนะที่ท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราที่เข้ามาพบแขกค้าสมาชิกของไทนท่านก็จะแนะนําสั่งสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพวกเราทั้งหลายพเพื่อได้รับาําคําสอนจากองคหลวงปู่ของเราพวกเราฟื้นปฏิบัติในเรื่องทางศีล สิ่โภาวนาสิ่งสมาธิปัญญาพวกเราได้รับความสงบ ร, ร่มเย็นเป็นสุขในตามปัตภาพของเราทุกทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราในวันนี้ที่พวกเราได้เข้ามาพวกเราก็สบายใจไม่ใช่ได้เข้ามาฟังได้มาเห็นอูบายการที่ท่านนำ ม, มาขอพุทธปฏิบัติแนะ น, นําสอนสอพวกเรา มีมากมายที่หลวงปู่แนะนําสั่งสอนทุกหลักคณะตฐาน ญ, ญาติโยมคนนั้นวันนี้อาตมาภาพเองได้กลับสโมสรนิยกรรมฐานเห็นว่าชกดุลกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภรีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห ล, ลายแภูบุญบารมีของหลวงปู่อุทัยของพวกเราที่ท่านได้กราเข่งมาดีแล้วนั้นขอให้คุมครอง ที่น้องประชาชนจตกทายไ้ทรวมทุกหมู่เหล่าขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สขขมหวังตับปรารถนาทุกประการเถิด